สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสบายๆกับพระอาจารย์สุชาติภิชาโตจากวัดบวร น, นิเวศวิหารนรัต ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวของสัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งเป็นหัวข้อที่พระอาจารย์จะมาบอกสอนในวันนี้นะคะก็อยากเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงว่าบางท่านอาจจะเพิ่งรู้จัก หรือว่าจะไม่รู้จักก็ตามว่าว่าช่องทางของธรรมะสบายสบายเข้ามาอย่างไร easy ธรรมะนะคะตัว e ตัวใหญ่ e a s y d h a m m a easy ธรรมะเข้ามาฟังเสียงอ่านจากพระอาจารย์สุชาติได้นะคะในใ น, ในในหลายๆหัวข้อในหลายหลายเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไรที่มีความสุขนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการธรรมะส บ, สบายสบายซึ่งเป็นรายการที่ บอกว่าเราสามารถปฏิบัติทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันนะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์วันนี้มีคำถามจากคุณมณีเนตด้วยนะคะถามเรื่องของสัมมาสติแล้วก็อยากให้พระอาจารย์พูดถึงสัมมาสติกับสัมมาสมาธิก่อนว่าต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะเล็กมีการไปโพสต์ทิ้งไว้ในโพสน ะ, ะว่าฝึกสมาธิเนี่ยการฝึกสมาธิที่เราเข้าใจกันเนี่ยว่าึก นั่งสมาธินั่งสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือการฝึกสมาสติคือการฝึกสติเนี่ยแต่จริงๆคําว่าสติที่เราเข้าใจกันเนี่ยถ้าพูดให้เต็มเนี่ยต้องพูดว่าสัมมาสติส่วนเราฝึกสัมมาสติเนี่ยฝึกจนดีแล้วฝึกจนตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็จึงจะได้สมาธิคือสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นผลเป็นผลจากการที่เราฝึกสัมมาสติเนี่ยดีแล้วตั้งมั่นดีแล้วเนี่ย เป็นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้ก็เลยเป็นที่มาว่าเออคุณมณบบีเนตรก็คงจะอ า, อาจจะมีความข้องใจอาจจะมีความที่ยังไม่ค่อยกระจ่างในข้อความตรงนี้เนี่ยก็เลยมีคําถามโพสต์ลงมาที่ตรงแส ด, ดงความคิดเห็นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคงตอบให้ในรายการอตอบให้ในรายการว่ามันยาวก็เลยว่าเออก็ดีเหมือนกันที่ว่าออหลายหลายคนก็ คงจะหลายคนคงคล่องใจเหมือนกันนะคะก็เลยเอามาตอบในรายการเนี่ยทุกคนก็สามารถฟังได้เข้าใจได้ไปพร้อมๆกันนะคะเพราะนั้นก่อนที่เราจะพูดถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยก็มันเป็นการฝึกหัดปฏิบัติจิตใจอยู่แล้วเนี่ยก่อนที่จะได้ทำการตอบคำถามก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทดสอบไปด้วยใการที่ ถ้าใครฟังอยู่นั่งเก้าอี้ก็ทำตามไปได้ด้วยหรือใครพร้อมที่จะมานั่งกสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางไว้บนตักแล้วเราก็มาดูลมหายใจไปพร้อมๆกันโดยการที่ถ้าใครเนี่ยยังไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติมา ก, ก่อนเนี่ยก็ขอใหอ้ดูลมหายใจยาวๆสัก 3ครั้ง4ี่ครั้งไปก่อนดูว่าลมมันกระทบที่จมูกเราเนี่ยตรงไหนบ้างพอเห็นแล้วเนี่ยว่าลมมันกระทบจมูกเราเนี่ยแล้วมันชัดตรงไหนก็เอาสติเราเนี่ยไปตั้งรู้รู้ลมที่มันกระทบจมูกเราเนี่ยเอาสัมผัสที่ลมมันกระทบจมูกเราเนี่ยเอาสติเรามันตั้งไว้ตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องมาคับลมนะ หลังจากที่เราดึงลมยาวๆแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติโดยที่ว่าลมมันจะเข้าลมมันจะออกเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปเป็นไปตามแบบที่มันเป็นนี่แหละเพราะเราก็ไม่เคยที่จะบังคับลมอยู่แล้วตอนหายใจนะก็ขอให้ดูลมสบายๆไม่ต้องตามลมเข้าหรอกไม่ต้องตามลมออกหรอกดูเอาสัมผัสที่มันกระทบจมูกเราเนี่แหละว่ามันตั้งอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มีสติเนี่ย สติคือความระลึกรู้เนี่ยมารู้ที่สัมผัสที่ลมมันกระทบกับจมูกเราตรงนี้แหละแล้วก็ทำจิตใจเนี่ยให้มันปลอดโปร่งทำจิตใจเนี่ยให้มันสบายระลึกรู้ลมหายใจอย่างสบายๆแล้วเราก็ฟังไปด้วยว่าสมารสติกับสมารสมาธิเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เงื่อนไขอีกอันหนึ่งก่อนที่จะได้ทำการ อธิบายว่ามันคืออะไรเนี่ยต่อไปจะฟังยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้ถ้าฟังเนี่ย 50% ของใจก็อยู่ที่ลมไปนะไม่ต้องส่งไปนู่นไปนี่เอาแบ่งครึ่งนึงเลยหูมิจะฟังก็ฟังไปแต่ใจเราเนี่ยก็ให้เฝ้าแนวรู้อยู่ที่ลมนี่แหละแล้วก็เอาอครึ่งนึงมาฟังเอามาเอาหัวใจเราเนี่ยเอาอารมณ์ในใจเราเนี่ยมาคลาค ร, รวนพี่นะร้าตามไปว่า มันเป็นยังไงเพราะว่าสติที่เรากำลังจะฝึกกันเนี่ยพรเจ้าก็พูดไว้ตั้งหลายอย่างคร่าวๆเนี่ยก็ตั้ง40แบบแล้ว40แบบเนี่ยเราก็ไม่ทำหมดหรอกแต่เราก็จะมาทำอยู่แค่อย่างเดียวง่ายๆแหละที่ที่เราว่าไปก็คือว่ามามีสติในลมหายใจของเราการฝึกสติเนี่ยก็คือการที่เรา ระลึกรู้อยู่ที่อันใดอันหนึ่งครูจ้า ก, ก็ใช้ลมหายใจเราเนี่แหละเป็นเครื่องระลึกรู้ระลึกรู้ดูลมหายใจเราทําไมต้องลมหายใจเพราะว่าลมหายใจเราเนี่ยนะมันเป็นอารมณ์กลางๆเป็นอารมณ์ไม่เป็นพิษเป็นอารมณ์ที่มันเป็นอาหารใจที่ดีเพราะว่ากระบวนการของใจเราเนี่ยมันมีหน้าที่อยู่สี่อย่างคือรับจําคิดรู้ ซึ่งอารมณ์นะรับจำคิ ด, ดรู้ซึ่งอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราลองย้อนกลับไปดูในชีวิตประจาวันเราเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าจิตเราเนี่ยมันก็รับจำคิดรู้เนี่ยอารมณ์ต่างๆมากมายเลยจากทางไหนบ้างละ่ะก็จากทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้นทางกายแล้วก็ความคิดนึกปรุงแต่งของใจเราไปเองนี่แหละพอรับมารับแบบไม่เลือกด้วยนะ เห็นปุ๊บก็รับได้ยินปุ๊บก็รับรับไปรับมามันก็มีทั้งอารมณ์ที่มันดีและอารมณ์ที่มันไม่ดีอารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเป็นประโยชน์กับจิตเราของเราของเราเนี่ยมันก็มีบ้างแต่ส่วนมากเนี่ยเราก็จะรับแต่อารมณ์ที่มันเป็นเครียกว่าเป็นพิษกับใจนะอารมณ์ยังไงถึงเป็นพิษกับใจก็คือ เวลาที่ใจเรามันกินอารมณ์นั้นไปแล้วเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงบ้างสุขภาพมันจะไม่ดีสุขภาพใจไม่ดีเป็นยังไงก็คือเป็นใจที่เศร้าหมองเป็นใจที่มันขุ่นมัวเป็นใจที่มันหดหูเป็นต้นจค่ะแล้วกินอารมณ์ยังไงถึงทำให้ใจเนี่ยมีสุขภาพดีก็คือกินอารมณ์ที่ ขินอารมณ์นี้ไปแล้วเนี่ยใจจะมีสภาพคือเป็นใจที่แช่มชื่นเบิกบานแจ่มใสผ่องใสและอารมณ์ที่มันสำคัญมากจากการที่เร า, ามาดูลมหายใจเนี่ยอันหนึ่งที่มันจะขาดไม่ได้ก็คือความสงบของใจคือจะผ่องใสยังไงก็แล้วแต่มันต้องมีความสงบเกิดขึ้นด้วยความสงบระงับเกิดขึ้น สงบพระงับจากอะไรล่ะสงบพระงับจากนิวร์ทั้งหลายก็คือมีการมาฉันทะมีความพยาบาทมีถินมิทะอุทธจักกุกุ จ, จักมีวิจิกิจฉาห้าอย่างเหล่านี้นี่คนเราเนี่ยจิตปกติเราเนี่ยจะมีห้าตัวนี้ประกอบอยู่ด้วยเสมอเลยเพราะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจิตเราก็จะฟุงงซ่านบ้าง เพลิดเพลินยินดีในการบ้างมีความพยาบาทบ้างมีความง่วงเหงาหาวนอนหดหูเหล่นี้เป็ต้นเวลาจิตที่เรามีสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นเชื้อที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยมีสุขภาพที่มันไม่ดีเวลาที่เรามาดูลมกับลมหายใจเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะเกิดไปกินอารมณ์ของการหายใจขึ้นพอกินอารมณ์ของการหายใจเนี่ยนะ มันเป็นสภาพกลางๆ ก, กินไปกินไปอารมณ์ของการหายใจเนี่ยมันก็เข้าไปแทนที่ในจิตเราแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือี้5ตัวทีิวานนั่นแคือนิวรณ์หตัวนั้นแหละมันจะสงบระับลงไปได้ใจเราจึงจะเป็นใจที่เยือกเย็นผ่องใสเบาสบายเกิดขึ้นได้นี่แหละสุขภาพใจที่มันดีเปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างนี้ได้นะเราก็ต้องให้จิตของเราเนี่ยมันกินอารมณ์ที่มันเป็น อารมณ์ที่มันเป็นอาหารที่ดีกับจิตของเราเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกเลือกที่จะกินพุจ้าก็เลยให้เรามาฝึกนี่แหละฝึกที่เราจะมีอารมณ์ที่ดีให้จิตของเราให้จิตเราเนี่ยไประลึกรู้อยู่ในอารมณ์ที่มันดีเป็นอาหารที่ดีของจิตของเราเบื้องต้นเนี่ยง่ายๆเลยก็คือลมหายใจเราเนี่แหละเพราะนั้นถ้าเราไม่มีสติ หรือเราไม่มีสัมมาสติก็คือไม่ได้มาระลึกรู้ในว่านี่นะเป็นอาหารที่ดีของจิตเราจิตเรามมันมีหน้าที่ระลึกของมันอยู่แล้วไปรู้นั่นรู้นี่มันก็ไปกินอารมณ์นั้นกินอารมณ์นี้เป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่ถ้าเรามีคอยมีสติระลึกเตือนมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยว่าเวรมันเผลอไปแล้วนะเผลอไปจากลมแล้วเราก็ดึงมันกลับมาที่ลมใหม่ไม่ปล่อยให้มันเผลอไปกินอารมณ์อย่างอื่น ก็ให้มันมากินอารมณ์ของการหายใจอย่างเดียวนี่แหละป้อนแต่อาหารที่ดีให้มันป้อนแต่อาหารที่ดีให้มันสุขภาพของใจที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยมันจึงจะดีขึ้นได้แข็งแรงขึ้นได้ฝึกสัมมาสติเนี่ยแล้วก็ฝึกอยู่อย่างนี้แหละอะไรที่ไม่มีข้อทําง่ายๆอยู่แค่2ข้อนี่แหละก็คือว่า1อะไรที่ไม่ใช่ลมเนี่ยเราก็ไม่ใส่จใจแล้วเราก็ตั้งใจเนี่ยดูลมหายใจเรา ทำง่ายๆแค่2 อ, อย่างท่านี้เองนะคือตั้งใจดูลมกับอะไรที่ไม่ใช่ลมเนี่ยเราก็ไม่ใส่ใจแล้วเวลาจิตเราเนี่ยเวลามันกินอารมณ์อันนี้อยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยสภาพของมันก็คือว่ามันจะเต็มเปี่ยมเต็มอิ่มไปด้วยอารมณ์อนั้นต์ไอ้สภาพของจิตเนี่ยที่มันมีเต็มเปี่ยมเต็มอิ่มตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นเนี่ยเราจึงเรียกว่า เป็นจิตที่มันเป็นสมาธิสมาธิเนี่ยมันแปลว่าความตั้งมั่นของใจนะความตั้งมั่นของใจคือใจเนี่ยมีอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้ก็คือว่าใจเรามีหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์เพราะนั้นเวลามันตั้งมั่นก็คือมีอารมณ์ที่ตั้งมั่นนี่แหละตั้งมั่นในอารมณ์ของการหายใจนี่แหละเพราะนั้นจิตของเราก็จะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ สบายๆกลางๆแล้วคุณสมบัติที่าขาดไม่ได้เลยอีกอันหนึ่งก็คือความสงบที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยแหละถ้าอย่างนั้นแสดงว่ า, าหลายๆคนก็คงจะต้องเริ่มฝึกสำหรับผู้ที่ไม่เคยทำเช่นถ้าสมมติว่าเราอยู่ในอารมณ์โกรธหรือว่าเสียใจ ถ้าเกิดอย่างที่พระอาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าเรากลับมาที่ลมหายใจหมายถึงว่าพอเราเกิดความรู้สึกต่างๆที่ที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยนะจ้าคะก็ก็คือถ้าเราถ้าเราหายใจถ้าเรามาดูมาตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยก็จะทําให้เราลืมหรือว่าบรรเทาเรื่องพวกนั้นด้วยใช่ไหมเจ้าคะจิตมันมีหน้าที่รับอารมณ์นะนะมันรับอารมณ์นทีละอันทีนี้ถ้ามันรับอารมณ์โกรธเนี่ยรับอารมณ์โกรธอยู่มันกินแต่อารมณ์โกรธเนี่ย อารมณ์อย่างอื่นมันเข้าไปแทรกไม่ได้แต่ถ้าเรากีดการอารมณ์โกรธเอาไว้แล้วเราก็ป้อนอารมณ์คือของการคืออารมณ์ของการหายใจเนี่ยเข้าไปได้ตัวนี้มันก็เหมือนน้ำะนะน้ำที่มันไปล้างอะ่ะมันมีสกรปรกเราก็เอาน้ำสะอาดไปล้างค่อยๆล้างไปไเรื่อยๆมันจึงจางออกไปความสกรปรกมันจึงจางออกไปพอจางออกไปมันจึงสะอาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่เรา มีอารมณ์ใดก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อย่างหนึ่งคือไม่ใส่ใจอารมณ์นั้นก่อนแล้วเราก็มีสติเนี่ยว่าเห็นอารมณ์ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นโทษก่อนมันเป็นสิ่งที่มันน่ารังเกียจมันเป็นสิ่งที่มันเป็นพิษอาหารเป็นพิษกับใจเราเราอย่าไปยุ่งกับมันแล้วเราก็รู้นี่ว่าอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งดีอารมณ์อันไหนเป็นสิ่งดีเครื่องอยู่อันไหนเป็นสิ่งดีให้จิตเราเราก็อามา เอาเครื่องอยู่อันนั้นเนี่ยให้จิตของเราไว้ก็คือลมหายใจเรานี่แหละเอาสติเรามา ร, รึกรู้อยู่ที่ลมหายใจของเราดึงกลับมาที่ลมหายใจก็มีอยู่แค่ว่าอารมณ์เกิดอารมณ์โกรธเกิดขึ้นเราก็ดูลมหายใจแล้วอะไรที่ไม่เล็กไม่ใช่ลมหายใจเราก็ไม่ใส่ใจมันความคิดก็ดีเราก็ไม่ไปใส่ใจมันมันจะอยากจะคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างนี้ เขามันเป็นคนเลวอย่างนี้เขาควรจะทำอย่างนี้เราก็ไม่ใส่ใจในความคิดเหล่านั้นเราก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจเรานี่แหละอยากจะทำอะไรอยากจะเห็นอะไรก็ปล่อยมันไปเราก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจเราเก็บใจเราเอาไว้กับลมหายใจมีสติเราเนี่ยให้มันมาระลึกอยู่ที่ลมหายใจของเราแล้วพู้เจ้าเนี่ยเวลาสอนเนี่ยท่านเบื้องต้นเนี่ยท่านก็บอกว่าให้เราเนี่ยตอนฝึกนะ ถ้าเรามีเวลาฝึกเป็นรูปแบบเนี่ยเราก็มานั่งขัสมาธิแล้วก็ตั้งกายตรงดารงสติอยู่เฉพาะหน้าเรานี่แหละเพราะฉะนั้นสติเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ไหนนะให้มันมาเกิดที่ลมหายใจเราให้มันมาเกิดที่เฉพาะหน้าเรานี่แหละอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละเพราะนั้นเวลาที่เรามีสติเนี่ยเราก็จะมีสติผูกไว้กับลมเลยแต่ไม่ใช่ว่าเอาสติไปยึดลมหายใจนะ มีสติรู้ลมหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจออกหมายถึงว่าเรามีสติและสติเราเนี่ยมันไปนรู้ลมหายใจเข้าแต่ไม่ใช่มีสติยึดลมหายใจเข้ามีสติยึดลมหายใจออกอันนี้ไม่ถูกหมายความว่ามีสติแล้วเราก็รู้ว่ามันมีลมอยู่มีสติแล้วก็รู้ว่ามันมีลมอยู่มีสติรู้ว่ามีลมก็คือเห็นว่ามันมีสัมผัสที่มันกระแทกกับจมูก ข, ของเราเนี่ยแหละ ที่ลมมันกระแทกจมูกของเรากระทบจมูกของเราเพราะนั้นเราก็มีแค่สติที่มันคอยรู้จ่อรู้อยู่เฉพาะหน้าของเรานี่แหละคอยรู้อยู่เฉยเฉยพอรู้แล้วเนี่ยก็ไม่ส่งระยธ์ลมด้วยการที่เรานั่งภาวนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราก็ปล่อยใจสรงใจของเราเนี่ยไปยึดลมหายใจไว้เพราะอะไรเพราะเราอยากให้ใจเป็นสมาธิ เราเข้าใจว่าความเป็นสมาธินี่คือมันต้องจดจ่ออยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ถูกต้องนั่นแหละแต่ทีนี้เราเข้าใจว่าการที่เราส่งใจไปยึดลมหายใจเนี่ยมันจะเป็นสมาธิเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นการเข้าใจที่มันยังคาดเคลื่อนอยู่นะจริงๆแล้วเนี่ยเราฝึกสติสติกับสมาธิเนี่ยมันคนละตัวกันถ้าเราแยกออกเนี่ยสติก็คือความระลึกรู้สมาธิคือความตั้งมั่นของใจใจเรา ก็คือเกี่ยวกับอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่มันตั้งมั่นในใจเนี่ยอันนี้เป็นเหตุสำคัญแล้วใจเราอยู่ตรงไหนล่ะถ้าใครไม่ภาวนาเนี่ยก็อาจจะยังเห็นไม่ชัดหรอกว่าใจเราอยู่ตรงไหนแต่ถ้าคนเคยภาวนาไปแล้วเนี่ยจิตเรามันรวมลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าใจเราเนี่ยเวลามันรวมลงไปนะมันก็รวมไปลงอยู่ที่ท่ามกลางอกของเราเนี่แหละเวลามีสุข แบบไม่คิดนะไ ม, ena, ไม่ต้องคิดอะไรมีความสุขปลื้มปิติอยู่ในใจเราเนี่ยมันก็อยู่ท่ามกลางอกเราเนี่ยแหละเวลามีความโกรธเวลามีความเหงาเศร้าต่างๆเวลาที่มันไม่ได้คิดอะไรเนี่ยเราก okay. ็จะเห็นมันชัดเจนขึ้นว่ามันก็อยู่ที่ท่ามกลางอกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นอารมณ์ของใจเรามันอยู่ตรงนั้นนะมันไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าเรานะสติต่างหากที่มันอยู่เฉพาะหน้าเราอารมณ์อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย คือมันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราเกิดที่ท่ามกลางอกของเราเพราะฉะนั้นการที่เราส่งใจเราเนี่ยไปยึดลมหายใจไว้อยากจะให้เป็นสมาธิอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะสิ่งที่คล้องเกี่ยวลลมหายใจคือสติเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเราก็มีสติระลึกรู้แล้วก็ไม่ต้องส่งใจไปเอาใจเราไไว้ไหนเอาใจเรามาไว้ที่สตินี่แหละยกขึ้นมาไว้ที่สติของเรามีสติ คุ้มครองใจของเราไม่ว่าใจเรามันจะไปทำอะไรเราก็มีสติคอยเป็นประการคอยเป็นดา่านที่จะคอยคัดกรองให้ว่าให้มันไปดีหรือให้มันกลับมาดีถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไม่รู้หรอกว่าใจเราเนี่ยมันเผลอไปคบกับอะไรอยู่มันเผลอไปเกาะกับอะไรอยู่มันเผลอไปยึดอะไรไว้แล้วอันนั้นมันเป็นโทษไหมเราก็ไม่รู้หรือว่ามันเป็นของดีเราก็ไม่ทราบ นันต้องมีสตินี่แหละที่เราจะคอยดูรู้อยู่ว่าคอยดูรู้อยู่ว่าใจของเราเนี่ยมันไปเกาะอะไรไว้ยิดอะไรไว้พอมาไปเกาะกับอารมณ์นี้แล้วไปยึดกับสิ่งนั้นแล้วอารมณ์ในใจรอเป็นยังไงมันยังสงบอยู่ไหมหรือว่ามันเป็นไปเพื่อราคะเป็นไปเพื่อโทสะเป็นไปเพื่อโมหะเหล่านี้ พรนั้นสติเนี่ยมันจึงต้องคอยคอยดูคอยรื้รู้จิตอยู่เราอยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าส่งไปหาอารมณ์นะบางคนก็เข้าใจว่าอ๋อนี่อารมณ์แหละอารมณ์ราคะเกิดขึ้นในจิตเราอารมณ์โผงหาเกิดขึ้นในจิตเราโทสะเกิดขึ้นในจิตเรานี่แหละมันเกิดอยู่ที่จิตมันเกิดขึ้นมันจากจิตของเราเราก็ส่งใจเราลงไปเลยเราจะไปแก้มันตรงนี้แหละอันนี้ก็ยังไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ควรทาเนี่ยก็คือดึงใจเราขึ้นมาดึงใจเราขึ้นมามาอยู่ที่สตินี้ก่อนให้มันแน่วอยู่กับสติเนี่ยเวลาใคร้ครวนนะก็ค่อยเอาใจเราเนี่ยผูกไว้กับสติก่อนแล้วก็ส่งเอาใจเนี่ยไม่ได้ส่งไปไหนนะเอาความรู้สึกในใจเราเนี่ยค่อยๆตรองกันไปตรองไปตรองอะไรตรองความเป็นจริงนี่แหละเบื้องต้นท่านก็ให้ตรองความจริงในจะจักปัญกักกรรมฐาน ก็คือกรรมาฐานห้านี่แหละผมคนเล็บฝันหนังเพราะนั้นก็ให้ใจเราตรองลงไปตรองลงไปให้ใจเราเนี่ยมันซึ้งไปกับความเป็นของปฏิกูลของร่างกายเรานี่แหละกับความเป็นของไม่สวยไม่งามของร่างกายเรานี่แหละพอเราเห็นอย่างอย่างนี้เราก็พิจารณาไปถึงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงถ้าเรายึดไว้มันก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ปล่อยมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้น ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเป็นทุกข์ได้ใจเราก็จึงพยายามที่จะปล่อยมันได้พยายามที่จะปล่อยมันได้แล้วเราจะปล่อยยังไงล่ะเห็นโทษมันแล้วเราจะปล่อยมันก็ปล่อยความรู้สึกในใจนี่แหละที่มันไปยึดเอาไว้ปล่อยโดยการที่ดึงมันมาอยู่ที่สติของเราเอาใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่สติของเราเพราะสติของเรามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใจ มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอารมณ์มันมีหน้าที่ธรรมชาติคือรู้รู้ส่วนธรรมชาติอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตของเราสติกับจิตเนี่ยมันจึงแยกกันอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเรามองดีๆมันก็คือเหมือนกันแต่ถ้าเรามองโดยละเอียดแล้วมันจึงแยกกันเพราะฉะนั้นจะปล่อยวางใจเราก็ปล่อยที่สติเรานี่แหละเอาใจเรามาอยู่ที่สติมาอยู่ตรงนี้มันก็จริงอยู่ในสภาพที่อารมณ์มันไม่คล้องไม่แวะ ไม่เกาเกี่ยวเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำให้สมาธิมันเกิดขึ้นนะเราทำสัมมาสติให้มันดีให้มันแนว่วให้มันอยู่กับที่ที่เดียวสัมมาสมาธิคืออารมณ์ที่มันตั้งมั่นเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นในใจของเราเนี่แหละว่าใจเรามีอารมณ์ที่มันสงบเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ที่มันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะตั้งมั่นตั้งมั่นน้อยๆเขาก็เรียกว่าเป็นสมาธิน้อยๆ ถ้าตั้งมั่นมากๆเขเรียกว่าเป็นสมาธิมากๆแต่ถ้าในคำพีเนี่ยท่านก็จะใช้ศัพท์คําว่าเป็นชนั้นว่ามีชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่3ชาชั้นที่4ี่แต่ในที่นี้จะไม่พูดหรอกเพราะว่า uh huh. ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยท่านฟังก็จะเอาไปหมายว่าจิตของเราเนี่ยมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไหมจิตของเรามันก็จะไปอยู่กับตํารามันก็จะไม่อยู่กับของจริงแล้วเราก็จะคอยไปผวาองค์อยู่ตําราว่วาเวลามีตัวนี้เกิดขึ้นไหมเนี่ยอ๋อมีแล้วมัง้ง เราเป็นสมาธิเกิดขึ้นแล้วล่ะถ้าจิตอะไรยังเป็นอย่างนี้นะให้บอกท่านฟังได้เลยว่าท่านฟังยังไม่เป็นสมาธิหรอกถ้าเรายังใครค่ครวญอยู่ว่าอ๋อจิตเรามีวิตกวิ จ, จารณ์หรืออะไรต่างเกิดขึ้นไหมหรือว่ามีปีติไหมมีมีความสุขเกิดขึ้นไหมอย่างนี้ไม่ต้นวิเราเป็นชั้นหนึ่งไหมหรือว่าเราเป็นชั้นสองแล้วอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นสมาธิหรอกเพราะฉะนั้นขอให้ท่านฟังเนี่ย คอยดูรู้ว่าจิตเราเนี่ยมันสงบไหมสงบระงับไหมมีอารมณ์เป็นหนึ่งไหมขอแค่นี้แหละเพราะนั้นในตำราอะไรที่ทราฟังบางคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยก็ให้พักไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรมากอย่างที่ว่าไว้ก็คือว่าเราขอแค่สติที่มันรึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเราอะไรที่มันไม่ใช่ลมหายใจเราเราก็ ไม่สนใจมันแต่สนใจที่ลมหายใจเนี่ยก็ไม่ได้ย้ําว่าเราไม่ได้ยึดลมไว้นะดูลมหายใจมันเป็นร er ิมักเกอร์เฉยเป็นม er ักเกอร์เฉยให้เรามีสติอยู่ตรงนี้แค่ น, นั้นแหละงั้นคําถามที่คุณมณีเนธถามมาเนี่ยนะคะว่าสัมมาสติที่ตั้งมั่นเป็นอย่างไรอย่างที่พระอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสัมมาสติก็คือเราต้องอยู่กับลมแล้วยอมก็สงสัยว่ารู้ลมกับยึดลม มันมันต่างกันไหมเจ้าคะต่างกันสิถ้ารู้ก็เหมือนว่าเห็นว่ามันเป็นของมีอยู่เกิดขึ้นก็เหมือนเปรียบเหมือนกับเวลาเราเห็นเงินในกระเป๋าของเพื่อนมันเป็นแบงค์เหมือนกันนะเป็นเหรียญเหมือนกันนะเราก็เห็นอยู่ว่าเป็นของมีอยู่เป็นของเพื่อนเราแต่พอไอเงินที่มันวางอยู่ข้างหน้าเราเนี่ย พอดีพอดีว่ามันออกมาจากกระเป๋าของเรานะอันนั้นนเห็นแต่มันยึดไว้แล้ว amię? ยึดว่ามันเป็นของเรายึดว่ามันเป็นเงินของเราใจเราเนี่ยส่งไปหามันใจเนี่ยเรายึดมันว่ามันเป็นของเราคุยง่ายคือส่งใจไปแล้วไปเกาะไปเกี่ยวแต่ทั้งเงินข้างหน้าเราเนี่ยเป็นของเพื่อนของเราเนี่ยสภาพความรู้สึกในใจของเราเนี่ยต่างกันทันทีไม่มีความยึดถือในโรมนั้นไม่ส่งไปหา ไม่ส่งไปหาเงินอันนั้นฉันได้ฉันนั้นเวลาที่เราเห็นว่ามันเป็นลมเป็นลมหายใจของเราเราจะจับมันไว้จะยึดมันไว้มันก็เหมือนการที่เราเห็นว่ามันเป็นเงินของเรานี่ยแหละแต่ถ้าเราเห็นมันเฉยๆมันก็ไม่ใช่ลมของเรามันก็เป็นสิ่งหนึ่งต่างจากเราต่างห่างจากเรานี่มันก็เหมือนกับว่าเป็นเงินของเพื่อนเป็นเงินของใครก็ไม่รู้ เราก็ทําจิตของเราอย่างเนี้ยหมายความว่าเราก็จะไม่ส่งไปยึดลมไว้ได้เราก็จะดูลมเป็นส่วนหนึ่งตั้งหากจากใจของเราได้ใจเราเนี่ยก็เห็นลมอยู่ได้แต่ไม่ส่งไปหาลมไม่ยึดลมเอาไว้เพราะความยึดอะไรไว้เนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามีทุกข์เกิดขึ้นนะยึดความดีความดีก็ทิ่งแทงเรายึดความไม่ดีความไม่ดีก็ทิ่งแทงเรา บางคนอาจจะงงว่ายึดความดีแล้วมันทิ้มแทงเราได้ยังไงนะคือถ้าถ้าเรายึดความดีหมายความว่าที่ว่าเป็นโทษนะก็คือคนยึดไว้ไม่เป็นหมายความว่าเวลายึดแล้วเนี่ยใครทําไม่ดีเหมือนที่เรามีข้อมูลเนี่ยเราก็จะไปทิ้มแทงเขาอย่างเช่นคนนี้ผิดศีลคนนี้คือคนไม่ดี ใจเราก็ไปทิ่มแทงเขาว่าไอ้นี่มันเลวมากไอ้นี่มันเลวไอ้นี่คือคนไม่ดีนี่ใจเราก็ขุนหมัวเศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเราไปยึดยึดมาตรฐานดีเอาไว้แต่มาตรฐานดีอย่างนี้ยึดภายนอกไม่ถูกหมายความว่าเราควรจะยึดยังไงเราควรจะยึดเอามาเป็นว่าเราเนี่ยยึดเอาไว้ไม่ให้เราไปประพฤติไม่ดีไม่ไปประพฤติผิดศีลธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรยึดไว้ แต่ไม่ควรเอาไปครอบคนอื่นถ้าเราครอบคนอื่นคือเรายึดดียึดดีพอเขาทำไม่ดีเราก็เป็นทุกข์ในใจเราเราก็จะมีมานะเกิดขึ้นว่าเราดีเขาไม่ดีเราดีกว่าเขาเขาชั่วกว่าเราเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเหตุทาให้เราเปลี่นเพราะว่าความยึดนี่แหละยึดเอาไว้พอยึดเอาไว้มันก็มีความเปรียบเทียบ ม, มีของฉันมีของแกมีของฉันมีของเขา ว่อย่างนี้ก็เป็นเรื่องมากมากเรื่องตามกันมาวุ่นวายเลยแหละชีวิตของคนเราค่ะแล้ว <c oughs> คุณมณีเนตรคงจะเคยนั่งสมาธิแล้วก็ก็เลยมีคำถามว่าสัมมาสติถ้าตั้งมั่นแล้วเนี่ยแล้วแล้วเกิดอาการสติหลุดเนี่ยจะกลับมายังไงให้ให้ตั้งมั่นได้เร็วเร็วขึ้นคะไอะ้คำว่าเร็วเร็วเลยไม่มีนะให้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้น <c oughs> เร็วขึ้นก็ไม่มี <c oughs> มีแต่ว่า ถ้าอยากให้เร็วขึ้นเนี่ยมันมีคำว่าอยากอยู่มีอยากตรงไหนมีทุกตรงนั้นมีอยากตรงไหนความช้าอยู่ตรงนั้นนะเพราะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือกำจัดความอยากในใจของเราก่อนกำจัดความอยากที่มันอยากจะให้เป็นสมาธิก่อนอยากจะให้มันเป็นสัมมาสติก็ฆ่ามันซะเรามีหน้าที่ก็รู้มันไปเรื่อยๆมันจะรู้แล้วมันไม่เป็นสมาธิก็ช่างมันมันรู้แล้วมันจะเผลอไปก็ช่างมัน อย่างที่ว่าไปคือทำแค่สองอย่างเองคือถ้ามันเผลอก็ดึงกลับมาอะไรที่ไม่ใช่ดมเราไม่ใส่ใจแต่อะไรที่กะกร ะ, ะลมหายใจเนี่ยเราคอยเฝ้าคอยสังเกตคอยตั้งมันอยู่อย่างนั้นทําแค่นี้ไม่ได้บอกว่าให้อยากทํานะถ้าอยากเมื่อไหร่ทุกมีตรงนั้นความเลื่อนช้ามีตรงนั้นและความไม่เป็นสัมมาสติและไม่เป็นสมาธิเกิดอยู่ตรงนั้นนี่แหละเกิดเพราะมีอยากมันมึ มังบังเอาไว้มาเบียดบังเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าเร็วนะมีแต่คําว่าทําถูกไหมแล้วก็อทําเหตุที่มันถูกไหมก็คือเรามินดูลมหรือยังถึงมันเผลอก็ปล่มันเผลอไปก็กลับมาดูลมก็มีแค่นี้เองจะทำให้มันต่อเ น, นื่องฟังแล้วดูง่ายฟังแล้วดูง่ายนะเจ้าคะ่ะทําให้มันต่อเ น, นื่องได้เนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือมันก็ไม่เผลอ เพราะว่าเราทำชำนาญมันก็เผลอได้น้อยลงเป็นธรรมชาติของจิตนะที่ว่าเหมือนเราทำอะไรซ้ำๆๆๆๆเนี่ยมันก็เป็นอัตโนมัติจิตของเราก็ต้องฝึกฝนให้มันเป็นอัตโนมัติเหมือนกันแรกๆเนี่ยคนทาใหม่ๆเนี่ยจะให้มันมาชำนิชำนาญเหมือนคนฝึกหัดมาเป็นแบบหลายๆปีหลายๆ1ิปีเนี่ยเป็นไ ป, นปนไม่ได้หรอกเราก็ต้องเข้าใจสภาพด้วยว่าความเป็นจริงมันคือ มือใหม่มันก็ต้องช้ามือใหม่ก็ต้องเผลอมาก อ, อ, อาการที่ตั้งมันก็น้อยเป็นธรรมดาแต่ทีนี้เราอย่าไปดูผลหรอกแล้วมาดูเหตุสิว่าเราทําเหตุที่ถูกต้องหรือยังเรามีความอยากเกิดขึ้นในใจไหมถ้ามีความอยากก็เอาความอยากในใจเนี่ยออกไปแล้วเราจิตเราเนี่ยอยู่กับลมไหมไม่ใช่ว่าเราเห็นลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็ฟืดฟาดฟืด ฟ, า ด, ฟาดไปแต่ใจเรามันเผลอไปเรื่องไหนเราก็ไม่ทราบอันนี้ก็ไม่ถูกต้อง เพราะนั้นสํารวจว่าใจเราอยู่กับลมหายใจไหมสติเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจไหมแค่นั้นเองบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าอุย้ยเราก็ดูลมอยู่ตลอดเห็นลมตลอดแต่ใจเราไม่รู้หรอกว่ามันเผลอไปไหนบ้างไม่รู้เลยเหมือนคนสวดมน์เนี่ยปากก็ว่าไปงับงับงั บ, ง บ, ง บ, งบตามบทสวดมนต์ที่เราคล่องปะแต่สุดท้ายใจเรามันก็เผลอไปเรื่องเออวันนี้เราไปทําอันนี้มาไปเจอคนน้นคนนี้มาแล้วมันก็ จะเป็นอารมณ์ที่มันติดค้างอยู่ในใจของเราสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปภาพก็ดีเสียงก็ดีที่คุยกันก็ดีมันก็แวบเข้ามาในในหัวสมองเราอันนี้มันก็เป็นอาการเห็นชัดเลยว่าปากก็ว่าไปได้แต่ใจไม่อยู่เวลาเราดูลมเนี่ยก็ต้องอต้องระวังอาการอันนี้ด้วยเป็นสําคัญเลยไม่งั้นเราก็จะเข้าใจว่าโอ้ยเราปฏิบัติ ด, ดีแล้วเราเห็นลมแล้วแล้วทําไมมันไม่สงบสตี ต้องสังเกตใจเราดีๆ ด, ด้วยนะไม่งั้นก็จะหาความสงบให้กับใจิตใจเนี่ยลำบากเพราะเราเป็นผู้ไม่รอบครอบเป็นผู้ไม่ละเอียดละออในวราระจิตของตัวเองซึ่งเออก็น่าจะตอบคำถามหมดแล้วมัง้งวันนี้อ๋อยังมีอีกนิดนึงค่ะก็ถามว่าถ้าสมมติว่าเออเราจะนั่งสมาธิอย่างเงี้ย น, นะคะถ้าร่างกายมันเหนื่อยหรือว่าเพลียเกินไปทาให้สติ จะตั้งมั่นยากขึ้นไหมแล้วก็มีวิธีอย่างไรที่จะช่วยให้สติตั้งมั่นได้บ้างเจ้าค่ะความร่างกายนะมันก็มีส่วนอยู่พอสมควรนะนะแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายมันเหนื่อยแล้วเราก็พอภาวนาไปได้สติเราเกิดดีเนะี่ยก็พ อ, พอก็ภาวนาไปแต่ถ้ามันเหนื่อยมันเพลีย แล้วมันนั่งไปมันก็มันเผลอเผลอเผลอไปตลอดไงนะก็ไปพักผ่อนเถอะไปนอนก่อนก็ได้พักผ่อนให้ร่างกายเนี่ยมันสดชื่นขึ้นแล้วมันก็จะพอไปได้ก็เหมือนอย่างคนที่ภาวนาแล้วก็ง่วงพระ น, นอนน้อยมาางนะแต่บางคนเนี่ยถูกจริตกับการที่อดนอนนะอันนี้ก็ต้องดูว่าจริตเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนบางคนอดนอนแล้วสติแจ่มชัดก็มี บางคนเนี่ยอดนอนแล้วภาวนาไม่ดีคือคือสติไม่แจ่มชัดเราก็ต้องเลี่ยงวิธีการอดนอนอย่าอย่าบางคนเนี่ยกินข้าวน้อยๆแล้วก็หรืออดข้าวบ้างเนี่ยก็ทําให้สติเนี่ยมันชัดมันเกิดดีคือใครถูกจิตแบบไหนเนี่ยก็ต้องต้องคอยสังเกตตัวเองให้ดีเหมือนกันว่าเออวันนี้ช่วงนี้เรานอนน้อยนะเออแต่สติเรานี่รู้สึกว่ามันแจ่มชัดดีแจ่มชัดขึ้น อ่ะแสดงว่าเราก็ถูกจระติกับการที่เราผ่อนอดนอนแต่ถ้าเรา อ, อดนอนแล้วโอ้ยสมองมันตื้อเผลอไปเรื้องเสื่องซึมซึมไปเงีย้ยก็แสดงว่าอันนี้เราก็ไม่ถูกกันก็ต้องพยายามพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเป็นต้นแต่ส่วนถ้าใครเนี่ย โ, โหอดข้าวแล้วมันภาวนานมันมากภาวนานแล้วจิตมันโอ้โหตั้งมั่นดีอย่างนี้ก็พยายามทําบ่อยๆ อาจจะไม่ต้องอดทีหลายวันก็อาจจะดูพอประมาณวันนี้ลองผ่อนดูใครกินสามื้อก็ลองกินสองมื้อเป็นต้นหรือใครแล้วว่าวันนี้อดแล้วมันดีเหมือนกันนะก็ลองอดดูแต่ก็อย่าทําให้มันเครียกตึงจนเกินไปอย่างเช่นอดจนกระเพาะทะลุเป็นแผลไปหาหมออย่างงี้นะก็อันนี้มันอาจจะตึงเกินไปสัหน่อยหนึ่งเพราะนั้นเราก็เอาแต่พอดีพดีพอดีพอดีเพราะนั้นก็ต้องคอยสํารวจ จิตของเราเนี่ยว่าจิตของเราเนี่ยถูกฉลิ่กับแบบไหนแบบไหนถูกแบบไหนไม่ถูกฉลิก่กับเราเนี่ยเราก็ต้องคอยสังเกตให้ดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นคนที่เริ่มต้นที่จะมีสัมมาสติหรือว่าเริ่มต้นที่จะนั่งสมาธินี่ก็ฝึกฝึกได้ง่ายๆใช่ไหมเจ้าคะก็คือพยายามอยู่กับลมหายใจอย่างมีสติเมื่อเกิดอารมณ์อะไรก็ตามก็ให้กลับมาที่ลมหายใจ ทำแบบนีออ้อย่างเช่นถ้าเราทำกิจกรรมอย่างอื่นขับรถหรือว่าทํางานเราก็สามารถที่จะฝึกที่จะระลึกรู้กับลมได้ด้วยใช่ไหยเจ้าคะ่ะก็มีสติในการงานนี่แหละแต่ถ้ามันมีจังหวะบางช่วงที่มันเห็นลมหายใจได้เราก็คอยระลึกรู้อยู่บ่อยๆ่ยถ้ามันจะเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดพินิจพิจารณาเนี่ยมันก็จะมาเห็นลมเนี่ยไปด้วยเนี่ยมันก็จะลาบากทิดนึง หรการที่เราจะต้องไปพูดคุยสัมมน า, ากับใครเงี้ยเราจะคอยดูลมอย่างเดียวเนี่ยมันก็ทํายากนะพระเจ้าก็ให้มีสติในการงานของเราไม่ปล่อยใจให้มันหลุดออกไปจากการงานของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทําไปทําไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถทํางานโดยที่เก็บใจของเราเนี่ยเอาไว้ข้างในได้ไม่ปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันไปออกไป เขาเรียกอะไรนะเหมือนลมหายใจเนี่ยที่ใจเรามันออกเข้าไปยึดกับลมหายใจไว้เราก็จะไม่เป็นลักษณะนั้นกับการงานของเราเหมือนกันหมายว่าเราก็ทํางานการงานไปแต่จิตของเราเนี่ยก็คอยประคองอยู่ในอารมณ์ตั้งมั่นอารมณ์สงบของเราไปได้ด้วยแต่ก็อันนี้ก็ต้องบอกเล่าฟังว่าก็ต้องมีความชํานาญด้วยสักนิดหนึ่งเห็นใจค่อนข้างชัดเจนพอประมาณแล้วก็คอยสังเกตแล้วก็คอยเขาเรียกว่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของใจเราเนี่ยให้มันย้อนกลับขังหลังไหนตั้งมัน่นอยู่ในภายในส่วนภายนอกก็ทําไปแต่เราก็มีใจที่ตั้งมั่นอยู่ในภายในได้ซึ่งถ้าถ้าท่านฟังทำอย่างนี้ได้เนี่ยท่านฟังก็จะทํางานได้อย่างมีความสุขมีความสงบมีความสบายซึ่งถ้าท่านฟังเนี่ยทำงานได้อย่างมีความสุขความสงบความสบายอยู่แล้วเนี่ย ามันก็เป็นที่น่าปรารถนานะสำหรับคนทุกคนก็ขอให้ตั้งใจพยายามฝึกหัดอยู่เรื่อยๆจนที่เราเนี่ยจะมีศักยภาพที่เราจะทำการงานข้างนอกอยู่ข้างนอกไปอย่างที่ใจเราสบายสงบไปได้ด้วยค่ะหวังว่าคุณมณีเนตรนะคะมีคำถามได้รับคมตอบไปแล้วก็คงจะ เข้าใจแล้วนะคะในสิ่งที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าถ้าเกิดสติมันหลุดก็กลับมาง่ายๆที่ลมหายใจก็แล้วกันนะคะแล้วก็สําหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยทําสมาธิหรือว่ายังไม่เคยฝึกเป็นวิธีฝึกง่ายๆที่พระอาจารย์บอกไปแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะมาฝึกสมาธิกันนะคะฝึกสติฝึกอยู่กับลมหายใจจะทําให้เราเนี่ยทางานได้ดีขึ้นแล้วก็อย่างน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราก็คงจะทําให้เรา มีความสุขในใจมากขึ้นแล้วก็มีทุกน้อยลงด้วยนะเจ้าคะ่ะใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมะสบายๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามก็สามารถโพสต์เข้ามาได้นะคะที่อีซี่ธรรมะอยากอยากาถามอะไรเกี่ยวกับการทําสมาธิหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องบุญก็ถามกันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมเข้ามารับฟังเสียงอ่านจากพระอาจารย์สุชาตินะคะมีเรื่องราวดีๆมากมายตอนนี้มีเรื่องสวรรค์มีแล้วใช่ไหมเจ้าคะตอนนี้ที่อ่านมีก็ วันดีขึ้นดีของพระเอกปิน่นแต่ก็จะท ย, ทยอยแหละอาจจะเอาเรื่องสวรรค์มาแซมบ้างเป็นบางครั้งสลับสลับกันไปก็แล้วแต่ว่ า, ามีเวลาว่างพอที่จะได้หยิบหนังสือมาบันทึกเสียงไม้มถ้าได้หยิบมาบันทึกแล้วก็จะพยายามเอามาทยอยอัพโพสให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันแล้วก็ถ้าท่านฟังเนี่ยฟังแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น แล้วก็อย่าลืมที่จะแชร์ไปให้เพื่อนให้เพื่อนได้รับฟังได้รู้ว่ามันมีสิ่งดีๆเหล่านี้อยู่ด้วยนะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมะสบายๆแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในใจเพิ่มขึ้นแล้วก็มีทุกน้อยลงกราบนะมำพสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจ้าเต็มพร้อ